ขันธวิมุตติสมังคีธรรมะบท ป, ประพันธ์โดยท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระนำมตถุกสุขตัตตสปัญจธรรมขันธานิข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสุคตบรมศาสดาสักยมุมนีสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระนวโลกุตรธรรม9้าประการและอริยสงฆ์สาวกบัดนี้ ข้าพระเจ้าจะกล่าวซึ่งธรรมขันโดยสังเขปตามสติปัญญายังมีท่านคนหนึ่งรักตัวคิดกลัวทุกข์อยากได้สุขพ้นภัยเที่ยวพายพันเขาบอกว่าสุขมีที่ไหนก็อยากไปแต่เที่ยวมันไปมาอยู่ช้านานนิสัยท่านนั้นรักตัวกลัวตายมากอยากจะพ้นแท้เรื่องแก่ตายวันหนึ่ง ท่านรู้จริงทิ้งสมุททยพวกสังขารท่านก็ปะถ้ำสนุกสุขไม่หายเปรียบเหมือนดังกายนี้เองจะโงกดูถ้ำสนุกทุกทลายแสนสบายรู้ตัวเรื่องกลัวนั้นเบาทำเมินไปเมินมาอยู่หน้าเขาจะกลับไปเปล่าร้องซึ่งพวกพ้องเล่าก็กลัวเขาหมาว่าเป็นบ้าบอ สู้อยู่ผู้เดียวหาเรื่องเครื่องสงบเป็นอันจบเรื่องคิดไม่ติดต่อดีกว่าเที่ยวรุ่มร่ำทำสอพลอเดี๋ยวถูกยอถูกติเป็นเรื่องเครื่องรำคาญยังมีบุรุษคนหนึ่งอีกกลัวตายน้ำใจฝอมาหาแล้วพูดตรงๆรน่าสงสารถามว่าท่านภาคเพียนมา ก็ช้านานเห็นธรรมที่จริงแล้วหรื อ, อยังที่ใจหวังเอะทาไมจึงรู้ใจฉันบุรุษผู้นั้นก็อยากอยู่อาศัยท่านว่าดีๆฉันอนุโมทนาจะพาดูเขาใหญ่ถ้ำสนุกทุกไม่มีคือกายยตาสติภาวนาชมเล่นให้เย็นใจหายเดือดร้อนผลทางจรอริยะวง จะไปหรือไม่ไปฉันไม่เกณฑ์ใช่หลอกเล่นบอกความให้ตามจริงแล้วกล่าวปริศนาท้าให้ตอบปริศนานั้นว่าระวงคืออะไรตอบว่าวิ่งเร็วคือวิญญาณอาการไวเดินเป็นแถวตามแนวกันสัญญาตรงไม่สงสัยใจอยู่ในวิ่งไปมา สัญญาเหนี่ยวภายนอกหลอกลวงจิตทำให้คิดวุ่นวายเที่ยวสายหาหลอกเป็นธรรมต่างๆอย่างมายาถามว่าห้าขันใครพ้นจนทั้งปวงแก่ว่าใจสิพ้นอยู่คนเดียวไม่เกาะเกี่ยวพัวพันติดสิ้นพิษหวงหมดที่หลงอยู่เดียวดวง สัญญาลวงไม่ได้หมายหลงตามไปถามว่าที่ว่าตายใครเขาตายที่ไหนกันแก่ว่าสังขารเขาตายทําลายผลถามว่าสิ่งใดก่อให้ต่อวนแก่ว่ากล้นสัญญาพาให้เวียนเชื่อสัญญาจึงผิดคิดยินดีออกจากพบนี้ไปพบนั้น เที่ยวหันเหี้นเลยลืมจิตจำปิดสนิทเนียนถึงจะเพียรหาธรรมก็ไม่เห็นถามว่าใครกำหนดใครหมายเป็นธรรมแก่ว่าใจกำหนดใจหมายเรื่องหาเจ้าสัญญานั้นเองคือว่าดีว้าชั่วผลักติด ร, รักชังถามว่ากินหนเดียวไม่เที่ยวกิน แก้ว่าสิ้นอยากดูรู้ไม่หวังในเรื่องเห็นต่อไปหายรุงรังใจก็นั่งแท่นนิ่งทิ้งอะไรถามว่าสะสีเหลี่ยมเปี่ยมด้วยน้ำแก้ว่าทำสิ้นอยากจากสงสัยสะอาดหมดราคีไม่มีภัยสัญญาในนั้นพลากสังขารขันนั้นไม่กวน ใจจึงเปลี่ยมเต็มที่ไม่มีพร่องเงียบประงับดวงจิตไม่คิดครวนเป็นของควรชมชื่นทุกคืนวันแม้ได้สมบัติทิบสักสิบแสนก็ไม่เหมือนรู้จริงทิ้งสังขารหมดความอยากเป็นยิ่งสิ่งสำคัญจำอยู่ส่วนจำไม่กั้ำเกินใจไม่เพลินทั้งสิ้น ดนรนเหมือนดังว่ากระจกส่องเงาหน้าแล้วอย่าคิดติดสัญญาเพราะว่าสัญญานั้นเหมือนดังเงาอย่าได้เมาไปตามเรื่องเครื่องสังขารใจขยับจับใจที่ไม่ปนไว้ส่วนตนรู้แน่เพราะแปรไปใจไม่เที่ยงของใจใช่ต้องว่ารู้ขันห้าต่างชนิด เมื่อจิตไหวแต่ก่อนนั้นหลงสัญญาว่าเป็นใจสำคัญวันในวันนอกจึงหลอกลวงคราวนี้ใจเป็นใหญ่ไม่หมายพึ่งสัญญาหนึ่งสัญญาใดมิได้หวงเกิดก็ตามดับก็ตามสิ่งทั้งปวงไม่ต้องหวงไม่ต้องกันหมู่สัญญา เปรียบเหมือนขึ้นยอดเขาสูงแท้แลเห็นดินแลเห็นสิ้นทุกตัวสัตว์แก่ว่านั่นสูงยิ่งนักแลเห็นเรื่องของตนแต่ต้นมาเป็นมกคคาทั้งนั้นเช่นบันไดถามว่าน้าขึ้นลงตรงสัจจังนั้นหรือตอบว่าสังขารแปรแก้ไม่ได้ธรรมดากรรมแต่ง ไม่แกล้งใครขืนผลักใสจับต้องก็มองมัวชั่วในจิตไม่ต้องคิดขัดธรรมดาสภาวะสิ่งเป็นจริงดีชั่วตามแต่เรื่องของเรื่องเปลื่องแต่ตัวไม่พัวพันสังขารเป็นการเย็นรู้จักจริงต้องทิ้งสังขารที่ผันแปรเมื่อแลเห็นเบื่อแล้วปล่อยได้คล่องไม่ต้องเกณฑ์ ทาก็เย็นใจระงับรับอาการถามว่าห้าหน้าที่มีครบกันตอบว่าขันแบ่งแจกแยกห้าฐานเรื่องสังขารต่างกองรับหน้าที่มีกิจการจะรับงานอื่นไม่ได้เต็มในตัวแม้ลาบยศสันเสริญจเจริญสุขนินทาทุกข์เสื่อมยศหมดลาบทั่ว รวมลงตามสภาพตามเป็นจริงทั้งแปดอย่างใจไม่หันไปพัวพันเพราะว่ารูปประคันก็ทําแก่ไข้มิได้เว้นนามก็ไม่ได้พักเหมือนจักยนต์เพราะรับผลของกรรมที่ทำมาเรื่องดีพาเพลิดเพลินเจริญใจเรื่องชั่วขุ่นวุ่นจิตคิดไม่หยุดเหมือนไฟจุดจิตมองไม่ผ่องใส นึกขึ้นเองทั้งรักทั้งโกรธไปโทษใครอยากไม่แก่ไม่ตายได้หรือคนเป็นของพ้นวิสัยจะได้เฉยเช่นไม่อยากให้จิตเที่ยวคิดรู้อยากให้อยู่เป็นหนึ่งหวังพึ่งเฉยจิตเป็นของผันแปร ى, ไม่แน่เลยสัญญาเคยอยู่ได้บ้างเป็นครั้งคราว ถ้ารู้เท่าธรรมดาทั้งห้าขันใจนั้นก็ขาวสะอาดหมดมนทินสิ้นเรื่องราวถ้ารู้ได้อย่างนี้จึงดียิ่งเพราะเห็นจริงถอนหลุดสุดวิถีไม่ฝ่าฝืนธรรมดาตามเป็นจริงจะจนจะมีตามเรื่องเครื่องนอกในดีหรือชั่วต้องดับเลื่อนลับไป ยึดสิ่งใดไม่ได้ตามใจหมายใจไม่เที่ยงของใจไหววิบวับสังเกตจับรู้ได้สบายยิ่งเล็กบางใหญ่รู้ไม่ทันขันบางทรมิตรผิดที่นี่มัวดูขันทำไม่เห็นเป็นทุลีไปส่วนธรรมมีใหญ่กว่าขันนั้นไม่แหลถามว่ามีไม่มีไม่มีมีมม นี้คืออะไรทีนี้ติดหมดคิดแก้ไม่ไหวเชิญชี้ให้ชัดทั้งอัดแปล ى, โปรดแก้เถิดที่ว่าเกิดมีต่างๆทั้งเหตุผลแล้วดับไม่มีชัดใช่สัตว์คนนี้ข้อต้นมีไม่มีอย่างนี้ตรงข้อปลายไม่มีมีนี้เป็นธรรมที่ลึกล้ำใครพบจบประสงค์ ไม่มีสังขารมีธรรมที่มั่นคงนั้นแหลององธรรมะเอกวิเวกจริงธรรมเป็นหนึ่งไม่แปรผันเลิศพบสงบยิ่งเป็นอารมณ์ของใจไม่ไหวติง่งระงับนิ่งเงียบสงัดชัดกับใจใจก็สางจากเมาหายเร่าร้อนความอยากถอนได้หมดปลดสงสัย เรื่องผัวพันขันห้าซาสิ้นไปเครื่องหมุนในไตรจักก็หักลงความอยากใหญ่ยิ่งก็ทิ้งหลุดความรักหยุดหายสนิทสิ้นพิษห่วงร้อนทั้งปวงก็หายหมดดังใจจงเชิญโปรดชี้อีกอย่างหนทางใจสมุไทยของจิตที่ปิดธรรมแก่ว่าสมุไทยกว้างใหญ่นัก ย่อลงก็คือความรักบีบใจอะไรขันถ้าทำมีกับจิตเป็นนิดนิรันเป็นเลิกกันสมุทัยไม่ได้มีจงจำไว้อย่างนี้วิถีจิตไม่ต้องคิดเวียนวนจนป่นปี้ทำไม่มีอยู่เป็นนิดติดยินดีใจตกที่สมุทัยอลัยตัวว่าอย่างย่อ ทุกกับธรรมประจําจิตเอาจนคิดรู้เห็นจริงจึงเย็นทั่วจะสุขทุกข์เท่าไหร่ไม่ได้กลัวสร้างจากเครื่องม่วคือสมุทัยไปที่ดีรู้เท่านี้ก็คลายหายร้อนพอพักผ่อนเสาะสแสวงหาทางหนีจิตรู้ธรรมลืมจิตที่ติดทุลีใจรู้ธรรมที่เป็นสุข ขันทุกแท้แน่ประจำทำคงทมขันคงขันเท่านั้นและคำว่าเย็นสบายหายเดือดร้อนหมายจิตถอนจากผิดที่ติดแท้แต่ส่วนสังขารขันปราดจากสุขเป็นทุกแท้เพราะต้องแก่ไข้าตายไม่วายวันจิตรู้ธรรมที่ล้ำเลิศจิตก็ถอนจากผิด เครื่องเศร้าหมองของแสลงผิดเป็นโทษของใจอย่างร้ายแรงเห็นทำแจ้งถอนผิดหมดพิดจัยจิตเห็นธรรมดีล้นที่พ้นผิดพบปะธรรมเปลื้องเครื่องกระสันมีสติอยู่ในตัวไม่ผัวพันเรื่องรักขันขาดสิ้นหายยินดีสิ้นทุลีทั้งปวงหมดห่วงใย ถึงจะคิดก็ไม่ห้ามตามนิสัยเมื่อไม่ห้ามกลับไม่ฟุง้งพ้นยุ่งไปพึงรู้ได้ว่าบาปมีขึ้นเพราะขืนจริงตอบว่าบาปเกิดได้เพราะไม่รู้ถ้าปิดประตูเข่าได้สบายยิ่งชั่วทั้งปวงเงียบหายไม่ไหวติง่งขันทุกสิ่งย่อมทุกไม่สุขเลย แต่ก่อนข้าพระเจ้ามืดเขลาเหมือนเข้าถ้ำอยากเห็นธรรมยึดใจจะให้เฉยยึดความจําว่าเป็นใจหมายจนเคยเลยเพลินเฉยชมจําทามานานความจําผิดปิดไว้ไม่ให้เห็นจึงหลงเล่นขันห้าหน้าสงสารให้ยกตัวอวดตนพ้นประมาณเที่ยวระราน คนอื่นเป็นพื้นไปไม่เป็นผลเที่ยวดูโทษคนอื่นนั้นชื่นใจเหมือนก่อไฟเผาตัวต้องมัวมอมใครผิดถูกดีชั่วก็ตัวเขาใจของเราเพียรระวังตั้งถนอมอย่าให้อกุศลวนมาตอมควรถึงพร้อมบุญกุศลผลสบายเห็นคนอื่นเขาชั่ว ตัวก็ดีเป็นราคียึดขันที่มั่นหมายยึดขันต้องร้อนแท้เพราะแก่ตายเลยซ้ำร้ายกิเลสกลุ่มเข้ารุมกวนเต็มทั้งรักทั้งโกรธโทษประจักษ์ทั้งกลัวนักหนักจิตคิดโหยหวนซ้ำอารมณ์กามห้าก็มาชวนยักกระบวนทุกอย่างต่างๆไป เพราะยึดขันทั้งห้าว่าของตนจึงไม่พ้นทุกภัยไปได้นาถ้ารู้โทษของตัวแล้วอย่าชาเฉยดูอาการสังขารที่ไม่เที่ยงร่ำไปให้ใจเคยคงได้เฉยชมธรรมะอันเอกวิเวกจิตไม่เที่ยงนั้นหมายใจไวจักจำเห็นแล้วซ้ำดูๆอยู่ที่ไว พออารมณ์นอกดับระงับไปหมดปรากฏธรรมเห็นธรรมแล้วย่อมหายวุ่นวายจิตจิตนั้นไม่ติดคู่จริงเท่านี้หมดประตูรู้ไม่รู้อย่างนี้วิถีใจรู้เท่าที่ไม่เที่ยงจิตต้นพ้นริเริ่มคงจิตเดิมอย่างเที่ยงแทรู้ต้นจิตพ้นจากผิดทั้งปวงไม่ห่วง ถ้าออกไปปลายจิตผิดทันทีคำที่ว่ามืดนั้นเพราะจิตคิดหวงดีจิตหวงนี้ปลายจิตคิดออกไปจิตต้นดีเมื่อธรรมะปรากฏหมดสงสัยเห็นธรรมะอันเลิศล้ำโลกาเรื่องคิดค้นวุ่นหามาแต่ก่อนก็เลิกถอนเรื่องปลดได้หมดสิน้นยังมีทุกข์ต้องหลับนอนกับกินไปตามเรื่อง ใจเชื่องชิด ต, ต้นจิตคิดไม่ครวนธรรมดาของจิตก็ต้องคิดนึกพอรู้สึกจิตต้นพ้นโหยหวนเงียบสงัดจากเรื่องเครื่องรบกวนธรรมดาสังขารปรากฏหมดด้วยกันเสื่อมทั้งนั้นคงที่ไม่มีเลยระวังใจเมื่อจําทาละเอียดมักจะเบียดให้จิตไปติดเฉย ใจไม่เที่ยงของใจซ้ำให้เคยเมื่อถึงเอ่ยหากรู้เองเพลงของใจเหมือนดังมายาที่หลอกลวงท่านว่าวิปัสสนูปกิเลสจำแรงเพศเหมือนดังจริงที่แท้ไม่ใช่จริงรู้ขึ้นเองหมายนามว่าความเห็นไม่ใช่เช่นฟังเข้าใจชั้นไต่าถามทั้งตรึกตรองแยกแยะแกะรูปนาม ก็ใช่ความเห็นเองจงเล็งดูรู้ขึ้นเองใช่เพลงคิดรู้ต้นจิตจิตต้นพ้นโหยหวนต้นจิตรู้ตัวแน่ว่าสังขารเรื่องแปรปรวนใช่กระบวนไปดูหรือรู้อะไรรู้อยู่เพราะหมายคู่ก็ไม่ใช่จิตคงรู้จิตเองเพราะเพลงไหวจิตรู้ไหวไหวก็จิต ติดกันไปแยกไม่ได้ตามจริงสิ่งเดียวกันจิตเป็นสองอาการเรียกว่าสัญญ า, าพาผัวพันไม่เที่ยงนั้นก็ตัวเองไปเลงใครใจรู้เสื่อมของตัวก็พ้นมัวมืดใจก็จืดสิ้นรสหมดสงสัยขาดค้นคว้าหาเรื่องเครื่องนอกในความอาลัยทั้งปวงก็ร่วงโรย ทั้งโกรธรักเครื่องหนักใจก็ไปจากเรื่องใจอยากก็หยุดได้หายหวนโหยพ้นหนักใจทั้งหลายอดโอยเหมือนฝนโปรยใจใจเย็นเห็นด้วยใจใจเย็นเพราะไม่ต้องเที่ยวมองคนรู้จิตต้นปัจจุบันพ้นวันไหวดีหรือชั่วทั้งปวงไม่ห่วงใยต้องดับไปทั้งเรื่อง เครื่องรุงรังอยู่เงียบเงียบต้นจิตไม่คิดอ่านตามแต่การของจิตสิ้นคิดหวังไม่ต้องวุ่นต้องวายหายระวังนอนหรือนั่งนึกพ้นอยู่ต้นจิตท่านชี้มักฟังหลักแหลมช่างต่อแต้มกว้างกวา ง, วางสว่างสวยัยยังอีกอย่างทางใจไม่หลุดสมุทยัย ขอจงโปรดชี้ให้พิสดารเป็นการดีตอบว่าสมุไทยคืออาไย ร, รักเพลินยิ่งนักทำพบใหม่ไม่น่ายหนีว่าอย่างต่ำกามคุณห้าเป็นราคีอย่างสูงชี้สมุไทยอาลัยชานถ้าจะจับตามวิถีมีในจิตก็เรื่องคิดเพลินไปในสังขาร เพลินทั้งปวงเคยมาเสียช้านานกลับเป็นการดีไปให้เจริญจิตไปในส่วนที่ผิดก็เลยแตกกิ่งก้านฟุ้งซ่านใหญ่เที่ยวเพลินไปในผิดไม่คิดเขินสิ่งได้ชอบอารมณ์ก็ชมเพลินเพลินจนเกินลืมตัวไม่กลัวภยัยเพลินดูโทษคนอื่นตื่นด้วยชั่ว โทษของตัวไม่เห็นเป็นชะไหนโทษคนอื่นเขามากสักเท่าไรไม่ทำให้เราตกนรกเลยโทษของเราเศร้าหมองไม่ต้องมากทรงวิบากไปตกนรกแสนสาหัสมันดูโทษตนไว้ให้ใจเคยเว้นเสียซึ่งโทษนั้นคงได้เฉยชมสุขพ้นทุกข์ภัยเมื่อเห็นโทษ ตนชัดรีบตัดทิ้งทําอ้อยอิงคิดมากจากไม่ได้เรื่องอยากดีไม่หยุดคือตัวสมุทรไทยเป็นโทษใหญ่กลัวจะไม่ดีนี้ก็แรงดีแลไม่ดีนี้เป็นพิษของจิตนักเหมือนไข้หนักถูกต้องของแสลงกําเริบโรคด้วยพิษผิดสําแรงทําไม่แจ้งเพราะอยากดี นี้เป็นเดิมความอยากดีมีมากมักลากจิตให้เที่ยวคิดวุ่นไปจนใจเหิมสับพชั่วมัวหมองก็ต้องเติมผิดยิ่งเพิ่มร่ำไปไกลาจากธรรมที่จริงชี้สมุทัยนิจใจฉันคร้ำฟังเนื้อความไปข้างนุงทางยุ่งยิ่งเมื่อชี้มักฟังใจไม่ไหวติ่ง ระ ง, งับนิ่งใจสงบจบกันทีอันนี้ชื่อว่าขันธวิมุตติสมังคีธรรมะประจำอยู่กับที่ไม่มีอาการไปไม่มีอาการมาสภาวะธรรมที่เป็นจริงสิ่งเดียวเท่านั้นและไม่มีเรื่องจะแวะเวียนสิ้นเนื้อความแต่เพียงเท่านี้ผิดหรือถูกจงใช้ปัญญาตรองดูให้รู้เถิดพระภูริทัตโตมั่น วัฏสะปฐุมวันเป็นผู้แต่ง